ไม่ต้องนึก าลอกลวงคิดจะเปลี่ยนคู่ควงให้น้องยาวไปเลยไปเผิดนาคนงามยา น้องไม่รักพี่น้องไม่สรงสรา้นพี่ก็ะโข่น้องยาวไปตัากลัวนะ้ากลัวรากไม่แน่ผู้หญิงมองแงตัวจังน้องเอ้ยบอกให้พี่มาขอทั้งแม่และพอ่อยอมรับเป็นเคยแต่น้องกลับมาหลอกลวงคิดจะเปลี่ยนคู่ นักคน